จะแก้อาการเครียดนอนไม่หลับได้อย่างไรถามก่อนนอนจะมีปัญหาค้างคาต่างๆมารุมเราให้เครียดนอนไม่หลับทรมานมากสลัดความคิดออกจากหัวอย่างไรก็ไม่สําเร็จเคยพยายามดูลมหายใจและบริกรรมพุทโธก็ไม่ไหวยิ่งเครียดหนักเข้าไปใหญ่คุณดังเทรนพอจะมีอุบายวิธีอื่น ที่ช่วยลดความเครียดก่อนนอนโดยเฉพาะบ้างไหมอย่าบอกให้แก้ที่ตัวปัญหาอันเป็นต้นต่อความเครียดนะเพราะพยายามแก้อยู่แต่ก็ยังห่างไกลความสาเร็จอยู่มากตอบลองเอาลูกเหล็กที่เขาใช้โชคลมหรือวัตถุอะไรขนาดพอดีมือมากำไว้สิครับกำให้แน่นเลย เป็นการย้ายอาการจับยึดในหัวมาไว้ที่มือแทนความรู้สึกฝืนกำอย่างเป็นรูปธรรมที่มือจะลดความเครียดในหัวลงทันทีและยิ่งกำแน่นนานไปคุณก็จะยิ่งเห็นความไร้สาระแก่นสารของการจับยึดอะไรไว้เปล่าๆในที่สุดพอใจคลายก็หลับสบายไปได้เองผมแนะนำให้ทดลองอย่างนี้ก็ได้ผลกันดีครับ และถ้าให้วิเศษกว่าอุบายวิธีข้างต้นก็คืออาศัยสติยังดีอยู่พิจารณาให้เกิดปัญญามองให้เห็นเรื่อยๆว่าเราไม่ได้เป็นคนยึดมั่นจิตเขาเป็นคนยึดและยางเหนียวที่เหนรณะไปทั้งจิตทั้งใจก็ไม่ใช่อะไรอื่นมันคือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าระหว่างวันถ้าเราไม่ระวังไม่ดูแลรักษาจิตให้ดีปล่อยปละละเลย ยินยอมเอาขยะทางใจมาสะสมจนหมักหมมค้างคางในที่สุดเจอหรือทิ้งได้ลำบากมากไม่ใช่แค่อยากทิ้งก็สลัดกันง่ายๆพิจารณาไปเรื่อยๆเช่นนี้ก่อนนอนจะมีผลอีกทีระหว่างวันใหม่คือใจคุณจะเหมือนติดสัญญาณเตือนภัยถ้าเมื่อใดปล่อยจิตปล่อยใจให้คร่ามเครียดกับปัญหามากเกินไปจะเกิดสติเตือนตนเอง ว่าเอาอีกแล้วนะเก็บขยะใส่หัวเตรียมตัวตาแข็งเตรียมนอนเครียดหลับยากได้อีกแล้วที่ความรู้สึกตัวตรงนั้นจิตคุณจะถอยออกมาจากอาการยึดมั่นเองแม้ยังทำหน้าที่แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเหมือนปกติแต่จิตก็จะไม่หลงถลำหล่นลงไปแช่น้ำคลั่ดดำปีอย่างเคย ทำได้อย่างนี้ก็นี่แหละคือการแก้ปัญหานอนไม่หลับอย่างตรงจุดคุณยังไม่ต้องทำลายปัญหาภายนอกที่เข้ามากระทบใจให้สิ้นซากซึ่งอาจยากและต้องใช้เวลาเพียงแค่กำจัดอาการยึดมั่นเหนียวแน่นอย่างไร้สติก็พอแล้วโรคนอนไม่หลับกำลังเป็นปัญหาใหญ่เข้าขั้นรุนแรงหลายคนน่าเห็นใจมากๆ เพราะปัญหารุมเร้าตลอดศกในจะการงานในจะการรักในจะหนี้สินในจะอันตรายจากคนโฉดในจะโดนรมควันพิษทุกข้าเช้าในจะอบอ้าวในเมืองร้อนเพราะทุกคนจำยอมแออัดอยู่ในแหล่งชุมชนใหญ่เพื่อเอาตัวให้รอดในวงเล็บแบบไม่ค่อยปลอดภัย โรคเครียดโรคนอนไม่หลับนั้นอันที่จริงเป็นแค่ทุกข์ส่วนหนึ่งทุกข์อันเกิดจากวิบากกรรมทุกข์อันเกิดจากความไม่รู้จักวิธีคลายความยึดมั่นถือมั่นหากจะแก้โรคทุกทางใจให้ครอบจักรวาลคุณจำเป็นต้องศึกษาพุทธศาสนาในเชิงปฏิบัติให้แจ่มแจ้งการมีจิตคิดสละออกคิดให้ทานเบิกบานใจจนรังเกียจความตรณี เหมือนรังเกยียจกาวเหนียวกระกลังจะก่อให้เกิดสภาพน่าอยู่น่าสบายแม้กายยังไม่รวยขึ้นใจก็รวยขึ้นแล้วการใคร่รักษาความสะอาดของจิตคิดรักษาศีลปลอดโปร่งโล่งใจจนรังเกยียจความประพฤติทุศีลเหมือนรังเกยียจขี้เยี้ยวโสมมจะก่อให้เกิดสภาพปลอดภัยร่มเย็นเป็นสุข แม้กายยังไม่อบอุ่นปลอดภัยขึ้นใจก็อบอุ่นปลอดภัยขึ้นแล้วการรู้สติไม่ปล่อยให้จิตเตลิดเปิดเปิงคิดปล่อยมากกว่าคิดยึดเบาสบายไปทั้งจิตจนกระทั่งรังเกียจอาการยึดมั่นกามผิดผิดและรังเกียจความผูกใจอาฆาตพยาบาทไร้ประโยชน์ความรังเกียจเรื่องสกปรกนั่นเอง จะก่อให้เกิดสภาพไกลบาปพ้นเรื่องหน้ากลัดกลุ้มแม้กายยังไม่อาจหลีกไปจากวงล้อมของเหล่าทรชนคนบาปใจก็ห่างบาปออกมามากแล้วพุทธเราแก้โรคได้ครอบจั ก, กรวาลและเป็นการแก้ที่ต้นเหตุจริงๆแก้ปัญหาระยะยาวกันจริงๆเพียงแต่คุณจำเป็นต้องศึกษาให้ทั่วถึงปฏิบัติตนให้ครบพร้อมล้วจะพบว่า คุ้มยิ่งกว่าคุ้มแน่ๆนครับ